ทำไมคนดังหรือคนสวยคนหล่อมักโน้มน้าวใจคนอื่นได้ง่ายถามทำไมเวลาไกลๆเห็นคนดังหรือคนสวยคนหล่อทำอะไรก็เห็นดีเห็นงามหรือคล้อยตามได้ง่ายนะครับเห็นคนใกล้ตัวขาดสติกันเยอะนักร้องหรือดาราที่เขาโปรดปรานทำอะไรก็มักทำตาม แต่ผมไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วต่อให้คลั่งคล้ายรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถของนักร้องนักสแสดงคนไหนถ้าเห็นเขาทำอะไรทุเรศทุเรศผมก็จะเลิกร่วมขบวนแห่แหนยกเขาขึ้นบ่าต่อทันทียกตัวอย่างเช่นผมเคยชอบท่าเต้นแปลกประหลาดผิดมนุษย์มนาของไมเคิลแจ็คสันมากแต่พอเห็นเขาลูบเป้ากลางเวทีก็หมดอารมณ์เลยได้แต่ยกมือเกาหัวคิดในใจว่า มันรูปทำไมอุบาทที่สุดในขณะที่เพื่อนๆผมเข้าดิสโกเทคแล้วรูปเป้าตามกันใหญ่แถมต่อๆมายังกลายเป็นเทรนด์ที่เหมือนปกติใครๆก็ทำกันโดยไม่โดนด่าว่าน่าเกลียดพอจะอธิบายได้ด้วยหลั ก, ก ร, รมไม่ว่าทำไมบางคนหลงง่ายบางคนหลงยากตอบ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกระแสสังคมซึ่งต่อไปผมจะเรียกว่าพลังมวลชนแล้วเกี่ยวข้องกับสติปัญญาเฉพาะตนซึ่งต่อไปผมจะเรียกว่าพลังในการเห็นตามจริงตามธรรมชาติแล้วพลังมวลชนจะชนะพลังในการเห็นตามจริงกล่าวคือถ้าพลังมวลชนพุ่งไปช่วยยกยอคำชูใครขึ้นมาสักคน นอกจากคนคนนั้นจะดูดีราศีจับกว่าคนธรรมดาแล้วเขายังมีอำนาจข่มให้พลังในการเห็นตามจริงของคนทั่วไปลดลงได้ยังเหลือเชื่อยกตัวอย่างเจ้าตำรับรูปเป้าที่เอ่ยถึงในคำถามก็เล่ากันลองคิดดูว่าหากเป็นนักร้องกระจอกตามผับโป๊เปลื่ยก็คงไม่มีใครสนใจคิดอะไรมากหรือถ้าเป็นนักร้องโนเนมเพิ่งขึ้นเวทีวันแรกก็รูปเป้าโชว์ อย่างนี้ผลที่ตามมาย่อมเป็นเสียงยี้เพราะพลังในการเห็นตามจริงของผู้คนยังคงอยู่ในระดับปกติพอจะรู้ว่าอย่างนั้นมันน่าเกลียดอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องชอบเอาเครื่องเพศมาเป็นจุดเด่นบนเวทีร้องเพลง mm. ก็เหมือนร้องเพลงด้วยเครื่องเพศไม่ใช่ร้องด้วยปากดูอย่างไรก็ไม่เห็นจะน่าชื่นชมไปได้ แต่นี่เป็นถึงไมเคิลแจ็กสันซึ่งไม่จำเป็นต้องรูปเป้าก็ขายได้เป็นล้านแผ่นแล้วอยู่ในความสนใจคลั่งไคล้ไหลหลงของแฟนเพลงทั่วโลกอยู่แล้วการรูปเป้าจึงเกิดขึ้นบนฐานความนิยมที่แข็งแรงพลังมวลชนจึงชนะพลังในการเห็นตามจริงขาดลอยแฟนไมเคิลไม่รู้กี่ล้านยอมรับก็แปลว่านักร้องอีกกี่คนทำก็ไม่น่าเกลียด ในเมื่อดาวดังอันดับหนึ่งของโลกกลุยทางไว้ให้แล้วนั่นจึงกลายเป็นไวรัสที่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วจนถึงวันนี้แม้ไม่รู้เป้าชัดเจนก็มีการกระดกหน้ากระดกหลังเรียกเสียงกรีดกันเป็นปกติบางทีวิวัฒนาการของความหลงผิดอย่างมหันอาจเริ่มต้นขึ้นจากการประพฤติมิชอบเล็กๆน้อยๆของคนดังนี่แหละ ที่สังคมหลงทางกันอย่างทุกวันนี้ก็เพราะพวกเราต่างยังโดนอิทธิพลภายนอกครอบงำได้และที่อิทธิพลภายนอกครอบงำได้เพราะต่างก็ยังมีราคะคือความกำหนัดโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงผิดหากปราศจากราคะโทสะโมหะทุกคนจะเห็นโลกตามจริงและไม่หลงทาอะไรตามแรงบันดาลใจผิดๆเลย ต่อให้โดนพลังมวลชนหรือกระแสสังคมอันเชี่ยวกรากสัดกระหน่ำเพียงใดก็ตามหลักความสัมพันธ์ของกิเลสก็คือเมื่อราคะโหมแรงโมหาย่อมนาทึบและเมื่อโมหานาทึบปัญญาและความเป็นตัวของตัวเองก็หายไปคือถ้าดารานักร้องในดวงใจของตัวเองทำอะไรก็ดูสว่างไปหมดหน้าหลงไหลคลั่งไคลไปหมด เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนแบบไปหมดแม้คนทั่วไปจะไม่เชื่อและไม่รู้เห็นเรื่องการวิบากแต่ส่วนลึกก็เชื่อว่าการที่หนุ่มสาวสวยหล่อได้นั้นต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ดีพออาจจะเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นตัวแทนพฤติกรรมของสวรรค์อะไรทำนองนั้นฉะนั้นคนสวยหล่อทำอะไรก็น่าจะแปลว่าดีไปหมด เป็นทางสวรรค์ไปหมดนี่หมายความว่าถ้าคนสวยคนหลอ่อเอาบุญเก่ามาเหนียวนาให้แฟนคลับวัยรุ่นเกิดมุมมองที่ถูกต้องเส้นหน่อยเช่นความหล่อความสวยต้องจับคู่กับจิตใจอันงดงามความโด่งดังต้องจับคู่กับพฤติกรรมที่น่าชื่นชมสังคมก็จะถูกชี้นำไปในทางสวรร่างอย่างไม่ต้องสงสัย อันที่จริงหน่วยงานราชการก็เห็นอิทธิพลของดาราหลายครั้งเมื่อจะรณรงค์เรื่องดีๆเช่นชี้นาให้คนรุ่นใหม่เห็นการสูบบุหรี่เป็นเรื่องล้าสมัยก็อาศัยภาพดารานักร้องยอดนิยมนี่เองเป็นเครื่องมือปัญหาคือทำอย่างไรไม่ให้คนรู้ตว่าตัวที่ยืนอยู่บนเวทีรณรงค์กับตัวจริงๆของดาราเป็นคนละคนกัน ตัวจริงแอบสู่บุหรีวันละเป็นสองตัวปลอมมาแสดงบทเจรัยโทษของบุรีอย่างนี้ถ้าเหล่าโจรู้เข้าก็พากันหมดศรัทธาสองเด้งเด้งแรกคือไม่เชื่อว่าบุหรีเป็นโทษจริงเดงที่สองคือมองว่าการรณรงค์งดสู่บุรีเป็นพิธีตบตาแรงบันดาลใจให้หน่าเลนแบบอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่อะไรมากไปกว่า การพยายามฝึกเป็นนักสร้างภาพเก่งๆการที่ทำให้เห็นผิดเป็นชอบคล้ายตามกระแสสังคมแพ้พลังมวลชนโดยง่ายก็คือการยอมสนองตอบแรงกระตุ้นให้เกิดราคะโทสะโมหะโดยขาดสติยังคิดของตนส่วนในกรณีของคุณถ้าบอกว่าแม้ขณะเป็นวัยรุ่น ก็ไม่หลงไหลเหอเหิมไปกับดารานักร้องนั่นก็สะท้อนว่ากรรมที่ทำเป็นประจำได้ก่อให้เกิดอัธยาศัยไปทางปัญญาคำว่าปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายเอาความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาแต่มุ่งถึงลักษณะของจิตที่รู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ชอบซึ่งเป็นปฏิ ป, ปักกับโมหะโดยตรงนั่นเองครับ ลักษณะของสติปัญญาต่อต้านกิเลสนั้นบ่มเพาะกันได้ทุกคนระหว่างยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะหลงผิดมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือคนธรรมดาเริ่มต้นจากความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิเลสร้อนร้อนอันก่อให้เกิดพฤติกรรมร้ายๆ้ายและเมื่อ พ, พฤติกรร้ายร้ายเป็นประจําย่อมโดนวิบากระหน่ำตีให้เจ็บปวดเข้าสักวัน ด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าไม่ผเผชิญกับศกนาตกรรมทางเนื้อหนังก็ต้องผเผชิญกับศกนาตกรรมทางวิญญาณยกตัวอย่างเช่นการหมกมุ่นกับการราคะแฟชั่นการเปลี่ยนคู่เพื่อลดความจำเจซึ่งนำขบวนโดยหมู่คนดังคนหลอ่อคนสวยอันเป็นที่ยกย่องเชิดชูของสังคม เมื่อสังคมเชื่อตามและประพฤติตามวิบากที่เกิดกับสังคมรุ่นใหม่พร้อมๆกันย่อมหน้าเป็นห่วงเพราะโทษสถานเบาคือฟุ้งซ่านไม่พอใจชีวิตเสพสุขแค่ไหนก็เหม็นเบื่อไปหมดขี้เบื่อเปลี่ยนบ่อยแต่เปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มสักทีส่วนโทษสถานหนักคือต้องถูกกักขังอยู่ในคุกนรก ที่สร้างขึ้นด้วยการแบบผิดๆขอให้สอบถามสังคมดูเถอะหากเหมือนมีเสียงกระซิบเป่าหูอยู่บ่อยๆให้จบชีวิตตัวเองเสียจะได้พ้นความทรมานนั่นแหละแรงดึงดูดจากคุกนรกที่พากันสร้างทำเอาไว้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการ ช, ช่วยกันป่าประกาศและบอกต่อในวันนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับแต่ผมเห็นการต่อต้านพฤติกรรมทางเพศแบบโจงครึมมากมาในรูปแบบของการด่าทอการประนามให้อับอายซึ่งสมัยนี้คนเราโดนด่ามาก็อยากด่ากลับเป็นสองเท่าและทุกคนตั้งแต่ประชาชนคนเดินดินขึ้นไปจนถึงผู้บริหารประเทศต่างก็มีเรื่องหน้าอับอายเหมือนๆกันหมดเพราะฉะนั้น คำเสียดแทงให้เจ็บแสบมักไม่มีประโยชน์เนื่องจากไม่เห็นว่ามีเรื่องอะไรน่าอับอายจนต้องแทรกแผ่นดินหนีกันอีกต่อไปแล้วฉะนั้นทางดีที่สุดอย่าด่ากันแต่ให้เหตุให้ผลกันอย่างทอยทีทอยอาศัยเชีย่ยเห็นเข้าไปเธอครับว่าเรื่องทางเพศที่จงครื่อนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้ามองไม่เห็นผลทันตา ก็ชีเข้ามาที่ใจนั่นแหละเดี๋ยวนี้คนฟุ้งซ่านจับไม่ติดกันค่อนเมืองแล้วก็ไม่ยักมีใครบอกเท่าไรว่านั่นเป็นเพราะเกือบทุกคนปล่อยตัวปล่อยใจเหลิงลอยตามกิเลสสั่งมากเกินขีดจำกัดธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อสกกระบกถึงจุดหนึ่งยอมรู้สึกทรมานเมื่อเสษติดอะไรมากเกินพอดีจะฟุ้งซ่านกระวนกระวาย ในที่สุดเมื่อสพกระโกรจากการเสพติดจนถึงขีดสุดยอมด้านชากับทุกสัมผัสและเสพสุกทางเนื้อหนังกันด้วยอาการเหมือนเก่าแก้ขันแผลโรคเรื้อนชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นจำเป็นเลิกเกินที่ต้องรีบอยู่เทินกันครับใครจะว่ายังไงก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าสายไปถ้าเด็กรุ่นใหม่ถูกปลูกฝังเรื่องสติปัญญาเห็นชอบตามธรรมะ มีพลังในการรู้ตามจริงจนเอาชนะพลังมวลชนที่หลงผิดได้ยุคนี้จะเป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนการดิ่งลงเหวเกือบถึงพื้นเป็นเชิดขึ้นสูงสู่ฟ้ากว้างได้อีกครั้ง